น้อมนอมบูชาพระตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็กราบกระวะพระอาจารย์ทรงศิลป์พระอาจารย์มัฒนาชัยอาจารย์โนดแล้วก็พันเทเพื่อนสาธรรมิกทุกท่านเจริญพรแม่ชีอุบาสิกุบาสิกาทุกท่าน วันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่4ตุลาคม <c oughs> พุทธศักราช2556นะตรงกับวันแรม15คนะ่าเดือน10ก็ถือว่าสิ้นสุดเดือน10นะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเดือน11นะก็มีเวลาอีกประมาณ2อาทิตย์นะก็จะหมดาการเข้าพรรษา นะก็เป็นโอกาสที่ผู้ที่ได้มาอยู่จำบัรษานะก็ได้มีโอกาสที่จะบางส่วนนะก็อาจจะกลับไปสู่บ้านเรือนะบางส่วนก็อาจจะไปเดินทุดงนะไปสแสวงหานะความรู้เพิ่มเติมนะหลังจากที่เราได้อยู่จาบัรษ า, าร่วมกันนะในตลอดสาเดือน นะเมื่อพูดถึงการที่เราได้มาอยู่ร่วมกันในวัดป่าสุกโตนะก็เหมือนเป็นการที่เราได้สละบ้านเรือนะหรือครอบครัวนะชั่วขณะหนึ่งนะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นีนะ่ก็เป็นการที่เราได้มาฝึกนะที่จะปล่อยวางนะครอบครัวบ้านเรือนะอย่างนะแม่ออกพ่อออก นะที่มาจำศีลกันวันนีนะ้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของการที่เราสละหรือออกจากบ้านเรือนะมาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดนะก็เป็นการฝึกการปล่อยการวางนะเพราะว่าคำว่าบ้านเนี่ยหรือว่าครอบครัวเนี่ยนะมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะทั้งที่เป็นความอบอุ่นก็มี นะทั้งที่เป็นความชุลมุนวุ่นวายก็มีนะซึ่งตรงนี้นะหลายๆท่านก็คงได้สัมผัสนะคาว่าบ้านคาว่าครอบครัวนะซึ่งก็เป็นที่ที่ทุกๆคนนะก็ได้มีโอกาสที่จะเรียนรูนะ้ทั้งในความสุขและก็ความทุกขนะ์หลายคนนะก็อาจจะนะนี่เพียงจะคาดกันนะีบางคนก็อาจจะนับถอยหลังแล้วนะ ขีปฏิทินแล้วนะจะได้กลับบ้านนะนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นความรู้สึกผูกพันหนะรือว่าเป็นความรู้สึกอบอุ่นนะหลังจากที่เราได้ทิ้งบ้านเรือนนะมาเป็นระยะเวลา3เดือนนะแต่บางคนบางท่านนะก็อาจจะมีความรู้สึกว่าบ้านที่เราเคยอยู่นะก็เป็นบ้านที่ เ, เราเคยมีความบอบอุ่น นะมีความสุขมีความทุกขนะ์แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันก็เป็นที่อยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองนะก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นอิสระนะก็สละบ้านเรือนนะออกมาบวชหรือมาอยู่วัดนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะก็คือไม่ได้กลับไปบ้านนะเหมือนกับ <c oughs> ผู้ที่มาบวชเพียงแค่ ในพรรษานี้หรือคนที่มาจาพรรษาอยู่เพียงแค่ระยะเขา้าพรรษาเท่านั้นนะซึ่งในส่วนที่สองนี่แหละนะก็เป็นผู้ที่ต้องการที่จะมาเรียนรู้นะการปล่อยการวางนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเรามาอยู่ในโลกนี้เนี่ยนะเขาก็เปรียบเทียบเหมือนโลกเนี่ยเป็นที่พักชั่วคราวเท่านั้นเองนะเราอยู่ 30ปีบ้าง40ปีบ้าง70ปีบ้างไม่เกิน100ปีนาะที่จะคนอายุร0อยปีได้เนี่ยก็น้อยนะบางคนก็ยังไม่ทันเกิดมาเติบโตเลยบางทีก็ตายไปตั้งแต่เป็นเด็กนะนี่ก็เรียกว่ากลับบ้านเก่าตั้งแต่เป็นเด็กๆนะสุดท้ายเนี่ยพวกเราก็ต้องกลับบ้านเก่าอันนั้นนะก็ตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะกลับไปบ้านเก่าแล้วนะก็คือตายเนี่ยนะเรามาอยู่ในโลกนี้เนี่ย นะเราได้มาเรียนรู้อะไรในโลกนี้บ้างนะที่จะทำให้เราฉลาดขึ้นนะที่จะทำให้เราเป็นอิสระนะที่จะไปยึดไปติดนะอยู่กับสิ่งที่เราเรียกว่าบ้านหรือนะครอบครัวครอบครัวหรือบ้านนั้นนะก็มีทั้งที่บอกได้แล้วว่าเป็นทั้งที่ให้ความอบอุ่นกับเรานะแล้วก็มีทั้งความสุขมีความทุกขนะ์มีความวุ่นวายชุลมุนวุ่นวายนะ แล้วก็มีที่พึ่งนะเรียกว่าเป็นที่พึ่งนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้สัมผัสกันอยู่นะแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมาดูนะมีบ้านอีกบ้านหนึ่งนะที่อยู่ในตัวเรานะก็คือจิตใจของเรานั่นเองบ้านข้างนอกเนี่ยนะมันต้องไปเกี่ยวข้องกับคนจานวนมากนะที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับ พี่น้องพ่อแม่นะปู่ย่าตายายนะเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องที่เราจะต้องสัมพันธนะ์ก็ทําให้ถูกต้องเหมาะสมนะมันก็อยู่ได้ด้วยความสงบสุขนะแต่บางครั้งเนี่ยนะบางทีเราก็ทําอะไรไปตามใจตัวเองนะทําอะไรไปตามความอยากความต้องการของตัวเราเองนะตรงนี้มันก็ทําให้เกิดความขัดแย้งไดนะ้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น นะในบ้านในครอบครัวนะซึ่งบางคนนะก็ถึงขนาดต้องบ้านแตกสะแลกขาดไปนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นหรือบางคนอาจจะได้ประสบนะพบอยูนะ่พอบ้านแตกสะแลกขาดแล้วเราก็ไปหาบ้านใหม่นะไปสร้างบ้านใหม่ไปสร้างครอบครัวใหม่นะเราก็หวังว่าออจะสงบสุขนะบางทีมันก็สงบสุขแต่บางทีมันก็ไม่สงบสุข ตรงนี้เพราะว่า <c oughs> เราไม่มีบ้านที่แท้จริงนะเราไม่ได้สัมผัสกับบ้านที่แท้จริงก็คือในจิตใจของเรานั่นเองบ้านที่แท้จริงอันนีนะ้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเราไม่ค่อยจะรู้จักกันนะก็คือจิตใจที่เป็นปกตนะิเป็นจิตใจที่เป็นที่พึ่งนะของเราได้การที่เราจะไปเห็นบ้านที่แท้จริงนะหรือ สภาพจิตใจปกติเนี่ยต้องอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าสติสัมปชัญญะนะหรือความรู้สึกตัวนะที่เรามาอยู่จำบัรสากันนะหรือมาประพฤติปฏิบัติชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยนะก็เพื่อที่ต้องการเราจะได้มารู้จักนะหรือเห็นนาบ้านที่แท้จริงนะที่อยู่ในใจเราเพราะฉะนั้นบ้านที่แท้จริงตรงนี้เนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยได้ นะที่จะทำให้ความอบอุ่นแก่จิตใจของเราได้แม้ขณะที่เราใกล้จะตายนะเราก็เป็นที่พึ่งได้แต่อย่างไรก็ตามบ้านตรงนี้นะก็ยังแปลเปลี่ยนได้เหมือนกันนะคำว่าแปลเปลี่ยนในที่นี้หมายถึงว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้เท่าทันนะความคิดปรงแต่งเนี่ยนะบางทีมันก็จะมีบ้านใหม่ๆนะก็คือภพภูมิใหม่ๆเข้ามาแทรกนะโดยเฉพาะ พบภูมิที่เป็นความสุขนะเป็นความสนุกสนานนะหรือถ้าเราเทียบเป็นภาษาโบราณก็เรียกว่าเป็นสวรรคนะ์เป็นสภาพที่เราอยากอยู่นะเรารู้สึกสนุกสนานเรารู้สึกสุขสบายนะนี่ก็เป็นบ้านอีกบ้านหนึ่งนะที่มันมีอยู่ในจิตใจที่มันแปรเปลี่ยนไปนะหรือบางครั้งนะบางทีเราก็ไปตกนรกนะก็คือจิตใจของเรานะร้อนรุ่ม กุมอกกุมใจนะกับสภาพแวดล้อมกับครอบครัวนะก็คือจากบ้านข้างนอกนั่นเองนะมันก็มากระทบกระเทือนใจนะทำให้บ้านนั้นเป็นนรกไปได้เหมือนกันนะก็คือนรกในใจเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเราเห็นว่าบ้านเนี่ยมันมีเยอะมากนะมีทั้งบ้านข้างนอกบ้านข้างในนะบ้านที่เป็นนรกก็มีสวรรค์ก็มนะีแล้วก็บ้านที่เป็นปกติ นะก็คือจิตใจเป็นปกตินี่แหละนะตรงนี้เนี่ยเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้แต่อย่างไรก็ตามนะถ้าเราไปยึดไปถือกับสภาวะใดสภาวะหนึ่งก็ตามนะมันก็จะทำให้เกิดการยึดติดนะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะการมาเจริญสติเนี่ยนะบางครั้งนะเราก็ได้สัมผัสกับสภาพที่มันรู้สึกสบายปลอดโปรง่งโล่งใจแลนะนะนะ้เราก็ หวังที่จะอยู่ในภาวะอย่างนั้นนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันแปลเปลี่ยนไปเพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราต้องมีสติปัญญาให้รู้เท่าทันนะความแปลเปลี่ยนนะในภพภูมิเหล่านี้ด้วยนะก็คือการแปลเปลี่ยนของบ้านที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนะที่เรียกว่าปเป็นภพภูมิต่างๆนั่นเองเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้เลยว่าสิ่งที่เราจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยเนี่ยนะถ้าเป็นข้างนอกก็เป็นบ้านเป็นครอบครัวนะที่เราจะอยู่นะและอีกอันหนึ่งก็คือบ้านภายในใจของเรานะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญานะที่ได้จากการฝึกนะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยการนึกคิดเอา นะการนึกคิดเนี่ยก็เป็นเพียงแต่เราจินตนาการขึ้นมานะแต่เมื่อเราได้สัมผัสนะกับจิตใจที่เป็นปกตินะบ่อยๆนะเราก็จะสัมผัสกับจิตใจที่มันไม่ปกติด้วยนะก็คือสุขสุขทุกๆนะุตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเได้รูนะ้ได้เห็นนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะซึ่งก็ไปตรงกับใน อปถมมภ า, าสิตหรือปฐมะโอวาสของพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าเมื่อยังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอนิกชาตพูดง่ายๆก็คือท่านยังไม่ได้มาดูจิตยุใจของตัวเองยังไม่ได้มาเห็นบ้านตรงนี้นก็แล่นท่องเที่ยวไปในภพภูมิต่างๆแต่เมื่อมาเห็นแล้วก็เห็นเลยว่าตัวการสาคัญที่ทำให้เกิดภพภูมิต่างๆก็คือ สิ่งที่เราเรียกว่าความอยากนะหรือที่เรียกว่าตัณหานั่นเองนะมันมีทั้งความอยากที่จะอยู่ในภาวะต่างๆเช่นเรามีความสุขเราก็อยากจะมีความสุขตลอดไปนะหรือเมื่อเรามีความทุกข์เราก็ไม่อยากจะมีความทุกข์นะหรือแม้แต่ความสุขสนุกสนานนาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆนะที่เราเคยคยได้รับเคยได้สัมผัส นะแล้วก็รู้สึกเป็นสุขนะอันนี้เป็นความอยากที่ําให้เกิดภพภูมิต่างๆขึ้นมาเกิดเป็นบ้านขึ้นมาหลายๆหลังภายในจิตใจของเราเพราะนั้นตรงนี้นี่เองนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นำะลงไปภายในจิตใจของเราบ้านข้างนอกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะเป็นเรื่องที่เร า, เาสามารถที่จะอยู่นะกับคนอื่นๆ นะด้วยการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีมีความเอื้อเฟื้อมีความช่วยเหลือกันเราก็สามารถที่จะอยู่ได้นะแต่บ้านภายในจิตใจเนี่ยนะเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยสติปัญญานะที่แยบคายพอสมควรนะไม่งั้นเราก็จะตกไปอยู่ในวังวนะในนรกบ้างสวรรค์บ้างนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ย เราไม่ต้องไปรอนะสวรรค์นรกไม่ต้องไปรอว่าเออเดี๋ยวตายแนละ้วค่อยไปนะจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอะนะในแต่ละขณะจิตเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้ต้องมาดูมันนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเป็นเมื่อพูดถึงเรื่องของบ้านเนี่ยนะจะเห็นว่าบ้านเนี่ยมีมากมายนะแต่เป็นสิ่งที่เ อ, อมันไม่ใช่เป็นที่ที่เราจะไปอยู่ตลอดเวลา เป็นที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบางทีเขาบอกว่าบ้านคือโลกเนี่ยนะเหมือนเป็นโรงเต๊มนะเป็นที่เราจะเดินผ่านไปพักแรมชั่วคราวนะหลังจากนั้นเมื่อถึงเวลานะเราก็ต้องลาจากนะบ้านไปนะก็คือลาจากโลกไปบ้านในใจก็เหมือนกันนะอันนั้นก็แปลเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวตกนร ก, นกเดี๋ยวขึ้นสวรรค์ นะตรงนี้เนี่ยแต่มันมีบ้านที่ที่พอจะเป็นที่พึ่งที่พักได้ในช่วงที่เราอยู่ขณะนี้ก็คือความเป็นปกติของใจนั่นเองนะตรงเนี้ยนะให้เราได้ พ, พักผ่อนหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางขึ้นสวรรค์บ้างตกนรกบ้าง น, านี้ก็เป็นเรื่องที่สิ่งหนึ่งที่เราได้จากการที่เราเจริญสติเจริญสติ บ่อยเห็นมันบ่อยเพราะนั้นการมาอยู่ชำบรรษาเนี่ยนะสิ่งที่เราควรจะได้รับก็คือสติปนะัญญาที่เกิดจากการเจริญสตนะิที่เราได้ทำอย่างต่อนเนื่องนะทั้งในรูปแบบและก็นอกรูปแบบโนะดยเฉพออาะยงยิ่งในส่วนของนอกรูปแบบเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะนะก็คือการที่เราพยายามที่จะมีความรู้สึกตัว ในกิจวัตรประจำวันของเราตั้งแต่ตื่นยันหลับตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนและก็ช่วงของการทําในรูปแบบส่วนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญสำหรับผู้ที่ทาในรูปแบบเก็บอารมณ์เราก็คงจะได้สัมผัสกับปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา นะก็คงจะได้ข้อสรุปอะไรบางอย่างบ้างแต่อย่างไรก็ตามนะสิ่งที่เราได้จากการทำในรูปแบบเนี่ยนะมันจะต้องมาพิสูจนะ์ด้วยการใช้ชีวิตประจําวันเมืนะ่อมีเรื่องมากระทบมีอารมณ์มากระทบแล้วจิตใจเรายัางปกติอยู่ไหมนะนนี้เป็นสิ่งที่เราจะใช้ในการตรวจสอบได้นะว่าสิ่งที่เราได้ฝึกมามันพอเพียงหรือเพียงพอไหมนะ จำเป็นที่เราจะต้องทำต่อไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งไปสรุปว่าดีแล้วพอแล้วนะอย่างที่พุทธองค์ได้กล่าวไว้ว่ากุศลธรรมเนี่ยเป็นสิ่งทีเ่เราจะต้องทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยนะหรือการเจริญสติทำไปเรื่อยๆนะจนถึงจุดหนึ่งที่มันถึงจุดที่เรียกว่าเป็นความหลุดพ้นนะหรือวิมุตติหลุดพ้น นะตรงนั้นเราจึงจะวางใจได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เรายังไม่ถึงจุดหลุดพ้นนะเรายังมีขึ้นขึ้นลงลงนะเมื่อมีอารมณ์มากระทบนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มาเตือนใจเรานะไม่ให้เราประมาทนะการมีชีวิตที่ไม่ประมาทนะก็เป็นชีวิตที่มีสตินะมีสติสัมปชัญญะนะอยู่บ่อยๆนะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญ แต่งไรก็ตามนะบางทีเราไปตั้งใจมากนะไปพยายามมากนะบางทีมันก็เคร่งเครียดตึงเครียดเกินไปนะตรงนั้นก็ต้องผ่อนผ่อนปลนนะปล่อยวางบ้างนะทําให้มันพอเหมาะพอดนะีกับชีวิตประจําวันนะกับสิ่งที่เราทําอยูนะ่นี่เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นความเพียรเนี่ยนะทำมันไปเรื่อยเรืนะ่เรียกว่าไม่พักไม่เพียร ทำไปเรื่อยๆมีสติมีความรู้สึกตัวทั้งในส่วนของอในรูปแบบก็ตามนอกรูปแบบก็ตามนานี้เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราได้พบกับบ้านที่แท้จริงก็คือความเป็นปกติภายในจิตใจของเร า, าซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปสร้างขึ้นมาหรือไปปรุงแต่งขึ้นมามันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมั น, นซึ่งตรงนี้เนี่ย นะเป็นที่อยู่ที่อาศัยนะที่เราจะพึ่งพิงได้นะไม่เหมือนกับบ้านข้างนอกนะที่เราอาจจะอยู่เป็นช่วครั้งช่วคราวถึงเวลานะเราจะต้องตายจากไปนะก็เป็นของคนอื่นไปนะ่ะแต่บ้านนะก็คือใจที่เป็นปกติเนียนะ่ะก็จะอยู่กับเราตลอดนะจนกว่าชีวิตเราจะหาไมนะ่ะแต่ก็มีบางครั้งที่เราจะออกไปอ่เอที่ยวนู่นเที่ยวนี่บ้างนะ แต่สุดท้ายมันก็จะต้องกลับมาสู่ความเป็นปกตินี่แหละนะเป็นสิ่งที่ อ, อยากจะเชิญชวนพวกเรานะโดยเฉพาะยิ่งๆนะคนที่คิดว่าจะต้องกลับไปบ้านนะบ้านที่เป็นข้างนอกนะอย่าลืมกลับมาบ้านในใจด้วยนะนี่เป็นสิ่งสำคัญ น, นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้นะได้พิจารณานะทั้งคนที่มาชั่วคราวนะด้วยคนที่มาอยู่ในระยะ 3าเดือนนีนะ้ก็คงจะได้ เ, เรียนรู้เรื่องพวกนีนะ้แล้วก็ได้เห็นมีบ้านอีกบ้านหนึ่งนะที่ไม่ใช่เป็นบ้านข้างนอกนะเป็นบ้านข้างในเป็นบ้านที่แท้ จ, จริงนะที่เราจะพึ่งอาศัยได้ต่อไปเอาล่ะในท้ายที่สุดนีนะ้ก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระษีรัตนตรัยนะก็คือพระพุทธธรรมประสงคนะ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน นะก็คือสติสัมปชัญญะนะที่เรามีอยู่ในทุกคนนะพระธรรมก็คือสัจธรรมความจริงนะที่แสดงหรือปรากฏนะเมื่อเราใช้สติสัมปชัญญะที่เรามีอยูนะ่พระธรรมก็คือการประพฤติปฏิบัตนะิที่เราได้ปฏิบัติกันมานะแล้วก็ได้ความเพียรพยายามของทุกท่านนะจงเป็นพระวะปัจจัยให้ทุกท่าน ได้กลับคืนสู่บ้านที่แท้จริงก็คือใจที่เป็นปกติให้ได้บ่อยๆเรื่อยๆในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร